ยังอยู่แล้วควรทำอะไรดีหัวข้อรู้เวทนาตอนรู้สุขทุกข์พุทธพจน์หนึ่งเสวยสุขอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขสเสวยทุกข์ก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกข์สเสวยความรู้สึกเฉยก็รู้ชัดว่าเราเสวยความรู้สึกเฉยส สวยสุขมีเหยื่อลอก็รู้ชัดว่าเราสวยสุขมีเหยื่อลอ 5. ห้าสวยสุขไม่ม <ces> ีเหยื <Media> <état> ่อลอก็ร <better> ู้ชัดว่าเราสวยสุขไม่มีเหยื่อลอ 6. หกสวยทุกมีเหยื่อล่อก็รู้ชัดว่าเราสวยทุกขมมีเหยื่อลอ 7. เจ็ดสวยทุกไม่มีเหยื่อล่อก็รู้ชัดว่าเราสวยทุกไม่มีเหยื่อลอ8แปด สวยความรู้สึกเฉยมีเหยื่อล่อก็รู้ชัดว่าเราสวยความรู้สึกเฉยมีเหยื่อล่อกลสวยความรู้สึกเฉยไม่มีเหยื่อล่อก็รู้ชัดว่าเราสวยความรู้สึกเฉยไม่มีเหยื่อล่อข้อความจากมหาสติปทานสูตรเวทนานุปัสนาลงมือปฏิบัตินับแต่เริ่มฝึกรู้ลมหายใจ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 เมื่อเห็นว่ากายศกกรปรกจะเป็นสุขจากการระ ง, งับความกระสับกระส่ายทางการมารมณ์เมื่อเห็นว่ากายไม่มีภาวะบุคคลจะเป็นสุขจากการเลิกสําคัญผิดว่านี่เรานั่นเขาเมื่อเห็นว่ากายเป็นของศูนย์จะเป็นสุขจากอิสระไร้พันธะกับกายเพราะจะพบว่าเมื่อจิตเสพสุขเหล่านี้อยู่ย่อมเกิดความปล่อยวางโลก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 เมื่อเสพทุกข์ก็รู้ว่าเสพทุกข์ความทุกข์คือความอึดอัดกดดันหรือระคายกายระคายใจอยู่กับสภาพแย่ๆความทุกข์มีโทษตรงที่กดสติให้พล่าเลือนแต่ก็มีประโยชน์คือผลักให้อยากพ้นไปเสียทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเหยื่อล่อแบบโลกโลภเรียกว่าทุกข์แบบมีอามิตรเช่น เจอหน้าคนที่เกลียดกันได้ยินเสียงนกหูหรือที่ซับซ้อนกว่านั้นเช่นไม่ได้ของตามปรารถนาเล่นเกมแพ้ต้องทนอ่านหนังสือยากๆต้องครุ่นคิดถึงเรื่องหนักอบเป็นต้นเราจะพบว่าเมื่อจิตเสพทุกประเภทนี้อยู่ย่อมเกิดความดิ้นรนอยากหนีไปหาสิ่งอื่นที่ให้ความสบายกว่ากัน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 ย่อมเกิดความอยากหนีสภาวะของตัวเองในขณะนั้นนั้นแต่เป็นความอยากพ้นอันเกิดจากแรงดันของกิเลสยังไม่ใช่ความใคราพ้นด้วยปัญญาสังเกตจากที่อาจเกิดความท้อถอยใครเลิกเจริญสติไม่ใช่มีกำลังใจฮึกหารที่จะเจริญสติยิ่งยิ่งขึ้นต่อเมื่อรู้ตัวว่าจิตกำลังเสพทุกข์เห็นชัดว่ารถทุกข์ไม่เที่ยง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 คือใช้ชีวิตอยู่กับโลกตามปกติเสพสมบัติที่คุ้นเคยจนไม่รู้สึกพิเศษอีกแล้วหรือแม้นั่งนั่งนอนๆอนอยู่เฉยเฉยในหัวว่างเปล่าจากความคิดนึกดีร้ายก็นับว่าใช่เราจะพบว่าเมื่อจิตเสพความรู้สึกประเภทนี้อยู่ย่อมเกิดความเฉยเหนื่อยไร้ความยินดียินร้ายอาจนํานไปสู่ความเบื่อ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 ต่อเมื่อรู้ตัวว่าจิตกำลังเสพความรู้สึกเฉยเฉยชินชินเห็นชัดว่าความเฉยเฉยชินชินไม่เที่ยงเสพได้ระยะหนึ่งก็มีอันต้องเสื่อมไปไร้ความเป็นบุคคลอยู่ในความเฉยเฉยชินชินในอาการเสพจิตจึงหลุดจากความเนื่อยนายมาสู่ความกระตือรือร้อนเสียได้ หลังจากฝึกรู้สุกทุกเฉยไปเรื่อยๆในที่สุดเราจะให้ค่าความรู้สึกทั้งหลายเสมอกันตรงที่เป็นเพียงความรู้สึกเหมือนเหมือนกันเกิดขึ้นวูบหนึ่งและต้องดับลงแน่ๆไม่มีใครเกิดไม่มีใครดับไปด้วยเลยนอกจากนั้นคุณจะได้ข้อสรุปที่สำคัญสำหรับชีวิตคือคนเราไม่ได้สแสวงหาความสุข เพราะลึกๆรู้อยู่ว่ามันผ่านมาแล้วจะผ่านไปแต่คนเราสแสวงหาวิธีดับความกระวนกระวายใจต่างหากเพราะนั่นแหละคือสุขแท้ที่จะอยู่ติดตัวตลอดไป